และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลัยก้าวว่าพวกเจ้าจงสุยูดแก่อาดัมเถิดแล้วพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอิบลิส ที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหันในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปและเราได้กล่าวว่าโอ้อดัม เจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถอะและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อาธรรมแก่ตวัวเอง ภายหลังชัยตอนได้ทําให้ทั้งสองพลั้งพลาดไปอันเนื่องโดยต้นไม้นั้นแล้วทําให้ทั้งสองต้องออกจากที่ที่เคยพอนักอยู่และเราได้กล่าวกับพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้า ต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พานักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานี้แล้วอาดัมก็ได้เรียนรู้คำบิงวอนจากพระผู้บานของพวกเขา และพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮฺได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงลงไปทั้งหมดจากสวนสวรรค์นั้นหากมีทางนำจากข้ามายังพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ บ, บ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล ยาบนีราอิลรูนิตีอัลตีอันงามตุอลยมวอฟบอดีอฟบอดิุมวอยายตฮะบูโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้า และจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลักวอาาิบบลลร และพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงย่าเอาองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาเพียงเล็กน้อย และเฉพาะค่าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรงและพวกเจ้าจงยาเอาสิ่งจริงไปปะปนกับสิ่งเท็จและจงยากปกเปิดความจริงทั้งทั้งที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่ และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระอากาและจงรูกวัวร่วมกับผู้รูกวักวาทั้งหลาย พวกเจ้าใช้พวกคนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระ น, นั้นหรือ้อทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าก็อ่านคำภีกันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอ ก, สสอกพูกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถอะ แท้จริงการละมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบรรดาผู้ที่สำรวมตัวเท่านั้นคือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระอค์ ยววาบรีอิสราเอยจงดำลึกถึงความโปรโดปรานของข้าที่ข้าได้โปรโดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่ชีวิตหนึ่งด้และการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น และค่าไทยถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือค วและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยเหลือพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพองของฟีโอจนโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าด้วยการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชื่อดดลูกผู้ชายของพวกเจ้าแล้วไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้า และในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ا آ จงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกพราะพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากฟิรูห และได้ให้ฟฟโร์นั้นจมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้สี่สิบคืนแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่คารบสการะ หลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อาธรร ม, มลลรแล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณและอธิษฐาน และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ประทานคำภีและข้อจำแนกความจริงจากความเท็จแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้องออกกลมุลุ และจงดำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน แ้้จริงพวกเจ้าได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองโดยที่พวกเจ้าได้ยึดเอาลูกอัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะดังนั้นพวกเจ้าจงกลับสู่พระผู้บังเกิดของพวกเจ้าเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองดังกล่าวนั้นเป็นการดีแก่พวกเจ้าณนะพระผู้บังเกิดของพวกเจ้าภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเจ้าแท้จริง พโรรรงงงคืออผผูู้้ทททภัยษเมมตตาสและจงดำลึกถึงขนาดที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอมูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์โดยเปิดเผย แล้วสายฟ้าก็ได้ผ่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู่ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ ظ َ ل َّ ل ْ ن َ ا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا ก ُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا وَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا و َ ل َ ك ِ ن ْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ แล้เราได้ก้อนเมกบทบางพวกเจ้าจากแสงอดิติและได้ให้อันมันน่ะ และอั ช, ชัลวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่พวกเราไม่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่ง า, าหงหาก และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคเครื่องยังชีพจากเมืองนี้อย่างกว้างขวางตามที่พวกเจ้าปรารถนาเถิด และจงเข้าประตูนั้นในสภาพพุ่นโน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิดด์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะเอาภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูณให้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย ลลมมแล้วบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่กล่าวแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้การลงโทษจากฟ้าฟ้าลงมาประสบแก่ผู้อธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการที่พวกเขานั้นประพฤติ ช, ชั่ว ي ي ف ف และจงดำลึกถึงขณะที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขา แล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าและแล้วตาน้ำสิบสองตาก็พวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่และกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยอย่างชีพของอัลลอเถิดและจงอย่ากอ่อกวนบนแผ่นดินโดยเป็นผู้วันทำลายวุลมมยมู اصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بقرها وقثائها و خ و م ه ا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلّة والمسكنة وباء و ا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبّين بغير الحق. และจงดำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าอูมอูซาเราไม่อาจจะอดทนต่ออาหารอย่างเดียวอีกต่อไปได้ดังนั้นท่านจงวิงวอนต่อพระผู้อวยพของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะสงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเหงือยขึ้น อันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวโหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นนึอพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมืองใบตุนมักดิสเถิดแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอัปยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขา และพวกเขาก็ได้นำเอาความกริ้โกร่วรจากเอเลอ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเอเลอ์และยังสังหารบรรด า, าศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรมดังกล่าวนั้นก็ได้ความดื้อดันของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขต แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิว และบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและบรรดาผู้ที่กราบไหว้เจว็นนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่อลอและวันปรโลกและกระทําความดีแล้วพวกเขาก็จะรับรางวัลณผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ ت ت และจองดําลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคํามั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตรุดขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ประทานให้ด้วยความจริงจังเถิดและจงดําลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยังเกรง มมลลแล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผินหลังให้หากอลัลลอ์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นผู้ขาดทุก และแน่นอนพวกเจ้าทราบดีอยู่แล้วถึงพวกเจ้าที่ได้ละเมิดจับสัตว์น้ำในวันเสารแล้วเราได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงกลายเป็นสิ่งที่ตามต้อยเธอ แล้วเราได้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในสมัยนั้นและสมัยหลังจากนั้นและให้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย และจงดำลึกถึงขณะที <upsetting suspenseful> ่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮทรงบัญชาแก่พวกเจ้าให้เชื่อดวัวตัวเมียตัวหนึ่งพวกเขากล่าวว่า ท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญากามว่าท่านจะทำอย่างไรกับินที่ไม่รูาจักศีลธรรม พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้บานของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะสรงแจ้งให้พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาวแต่มีอายุกึ่งกลางระหว่างนั้น พวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าถูกใช้เถิดพวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อวยพของท่านให้แก่พวกเราด้วยถิด พระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวตัว น, นั้นสีอะไรมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวสีเหลืองสีของมันเข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีแก่บรรดาผู้ที่พบเห็น ลลพวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้บานของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะส่งแจ้งแก่พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรถ้าจริงวัวตัวนั้นมันคล้ายคล้ายแก่พวกเราและหากอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่รับทางนำที่ถูกต้อง قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة اللاشية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحها وما كانوا يفعلون มูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่ยอมสยบง่าย ที่จะไถนาและที่จะทดน้ำเข้านาเป็นวัวสีบริสุทธิ์ปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมันพวกเขากล่าวว่าบัดนี้ท่านได้นำเอาความจริงมาแล้วพวกเขาก็เชื่อมันโดยที่พวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้วว Um um um um และจงนํำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าฆ่าคนเนึ่งและพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้นอลลอฮจะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไวุ้นริบบบ แล้วเราได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวในทํานองนั้นแหละอัลลอฮจะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพรหมเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เขา้าใจ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء หลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้างเสมือนดังหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดาทานน้ำา่วยพุ่งออกมา และแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่แตกออกแล้วมีน้ําไหลออกจากมันและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่ทลายลงเนื่องจากความเกรงครัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลืมสิ่งที่พวกเจ้ากระทาาอะกกมมมมมนัยิลวีบำ พวกเจ้ายัางโลภที่จะให้พวกเขาศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือ ท, ทั้งท่านที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสดับฟังดํารัดของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้ว ท, ท, ทั้งๆที่พวกเขารู้ดีอยู่ รบนคุ كم, และเมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วและเมื่อบางคนในหมู่พวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกคนพวกหนึ่งเขาก็กล่าวว่าพวกเจ้าจะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้นาสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐาน ยืนยันแก่พวกเจ้าหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระ น, นั้นหรือพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกออลและพวกเขาไม่รู้ด้วยว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย ا أ และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งพวกเขาไม่รู้คำภีนอกจากความเพ้อฝันและพวกเขาหามีอะไรไม่นอกจากความคาดคะเนเอาเองเท่านั้น فويل َ للذين ََّ يكتبون ََُ الكتاب َِ بأيديهم ِ ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون َُ هذا من ِ عند ِ الله َِّ ليشتعوا َْ به ِ ثمنا َ قليلا َ فويل َ لهم َُ مما ِ كتبت َََ أيديهم َِ وويل َ لهم مما, كتبت أيديهم وويل لهم مما ดังนั้นความวิบัติจะประสบแก่บรรดาผู้ที่เขียนคัมภีร์ขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วกล่าวอ้างว่านี่แหละมาจากอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้นํามันไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยดังนั้นความวิบัติจึงประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะประสบแก่พวกเขา เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้สแสวงหาไว้วพวกเขากล่าวว่า ไฟนรกนั้นจะไม่เผาผลาญพวกเราเลยนอกจากบรรดา ว, วันที่ถูกนับได้เท่านั้นมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาคำมั่นสัญญาณที่อลัลลอฮ์กระนั้นหรือโดยที่อลัลลอฮ์จะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาดหรือว่าพวกเจ้าอุปโลกความเท็จให้แก่อลัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดลั หาเนนนันไมผู้ใดที่แสวงหาความชั่วและความผิดของเขาก็เด้นล้อมเขาไว้ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาล